จิตเป็นสมาธิแกก็อธิษฐานว่าขอให้แกได้ตาทิพย์แกอยากรู้ว่าในวงไปทําอะไรอยู่ที่ไหนอธิษฐานจิตเสร็จแกก็กําหนดเห็นหนอเห็นหนอแล้วก็แกเห็นหมดว่าผัวไปทําอะไรที่ไหนคุณหญิงว่าดีไหมเรียนเห็นหนอเอาไว้คอยตรวจ ด, ดูว่าท่านรัฐมนตรีไปไหนท่านพระครูถามคุณหญิงดีค่ะ ดิฉันสงสัยอยู่บ่อยๆเหมือนกันว่าที่เขากลับบ้านดึกๆดนอยู่บ่อยๆนั้นน่ะแอบไปจุ๋งจิงกับอีหนูบ้างหรือเปล่าคุณหญิงได้ทีเลยขี่แพะไลผมไม่มีหรอกครับพระคุณเจ้าคุณหญิงตามแจไม่ยอมให้คลาดสายตาออกอย่างนี้คนเป็นรัฐมนตรีกล่าวแก้เลยถูกภรรยาคว้างค้อนเข้าให้เอาละมาฟังเรื่องคุณนายลำยัยกันต่อ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 ขอผลัดไปเดือนหนะ้าคราวนี้คุณนายลาใหญ่ก็เลยสั่งสอนผัวเสียเลยว่าตาวงแกน่ะเป็นครูสอนศีลธรรมเสีเปล่าแต่ตัวแกไม่มีศีลธรรมเอาเสียเลยทั้งขี้เหล้าเมายาเจ้าชู้ประตูดินหมูหมาเกี่ยวสิ้นไม่เลือกหน้าแถมยังโกหกพกลมอีกข่ารู้นะแกไม่ได้ไปเก็บค่าเช่านา แต่แกไปหาเมียน้อยที่ปากน้ำโพให้เงินมันไปสามร้อยจริงไหมครูวงก็นึกไมใจว่าเอเมียเรารู้ได้ยังไงนะสงสัยท่านพระครูวัดป่ามะม่วงบอกปรุงนี้จะต้องไปต่อว่าสักหน่อยนี่ครูวงคิดอย่างนี้มาโทษอาตมาได้ท่านพระครูพูดขัดขัดพอครูวงคิดจะมาตอว่าอาตมาคนนายลำใหญ่ก็รู้ซิอีก เลยดูเอาว่านี่แกไม่ต้องไปโทษหลวงพ่อนะท่านไม่ได้บอกข้าข้ารู้เองครูวงก็ไม่เชื่อรุ่งเช้าก็มาถามอัตมาอัตมาก็ปฏิเสธผลสุดท้ายครูวงก็ต้องยอมจำนนเลิกกินเหล้าเจ้าชู้หันมาถือศีลกินเพนเลยกลายเป็นคนดีไปเลยท่านรัฐมนตรีเห็นด้วยหรือยังว่าเห็นนอนอะ่ะมันมีค่ามหาศาลทีเดียว เห็นด้วยครับดีเห็นด้วยนะดีแล้วจะได้เล่าต่อถ้าไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรและท่านจึงเล่าต่อไปอีกว่าในการต่อมาคุณนายลำไยก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้หมอบอกว่าแกจะต้องตายภายในหนึ่งเดือนรักษาไม่ได้เพราะว่าเป็นมากอาเจียนแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดแกก็ามานอนป่วยที่บ้านนอนเจริญสติปัญฐาสี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 รังใหญ่เท่ากระดง้งวันหนึ่งลูกๆห้าคนก็มาพร้อมหน้ากันแกก็บอกลูกว่าลูกดูนะแม่จะแผ่เมตตาให้พึ่งแล้วก็บอกให้เขามาช่วยดูดพิษมะเร็งให้แม่แล้วแกก็หลับตาสักพักก็ลืมตาพูดดังๆว่าพึ่งจา๋าช่วยข้าหน่อยบวชละเกินมาช่วยดูดพิษมะเร็งออกให้ข้าด้วยพอแกพูดจบ พึ่งก็บินมาฝูงหนึ่งมาเกาะที่ท้องช่วยดูดพิษให้ดูดเสร็จก็ล่วงลงตายเกลื่อนพื้นวันต่อมาก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาขณะที่แกนอนอยู่บนแคร่ใต้ถุนบ้าน ล, ลูกนึกว่าจะมากัดแม่ก็เตรียมจะฆ่าแกได้ห้ามไม่ให้ฆ่าแกแผ่เมตตาให้งูแล้วก็พูดว่างูเอ้ยช่วยมาดูดพิษมะเร็งให้ข้านหน่อยงูตัวนั้นก็เลื้อยมาที่ท้องแก ทำท่าเหมือนกัดแต่ที่แท้ไม่ได้กัดแต่ดูดมะเร็งให้เสร็จแล้วก็เลื้อยออกไปสักสามวาก็นอนตายอยู่ตรงนั้นลูกๆแกก็เอาไปฝังเป็นเรื่องอัศจรรย์มากพวกนักข่าวก็จะมาขอเอาไปลงหนังสือพิมพ์อาตมาไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าคนอ่านเขาเกิดไม่เชื่อก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่า ปรากฏว่าคุณนายลำยายอยู่มาได้อีกสามปีกระทั่งลูกๆเรียนจบเข้างานได้หมดแกก็ตายนีศพยังมาเผาที่วัดนี้พูดพลางก็ชี้ให้ดูเมนซึ่งอยู่หน้าวัดวันเผาศพก็ยังจะแดงฤทธิ์อีกนะคือวันนั้นอาตมาไปธุระกำหนดจะเผาห้าโมงเย็นอาตมามาไม่ทันเขาก็แม่รอพอห้าโมงเย็นตรงเขาก็จุดไฟ ปรากฏว่าเผาเท่าไร่เท่าไหรก็ไม่ยอมไหม้ไฟก็ไม่ยอมติดอาตมากลับมาถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็เลยไปจุดไฟปรากฏว่าไหม้เรียบร้อยอาตมามานึกถึงคําพูดของแกก่อนตายว่าหลวงพ่อต้องไปเป็นคนจุดไฟนะไม่อย่างนั้นฉันไม่ยอมไหม้เด็ดขาดนี่แหละเรื่องของคุณนายลําไยอาตมาเล่าย่อๆนะเนี่ย ถ้าเล่าละเอียดวันนี้ก็ไม่จบหรอกทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างก็เงียบกันไปพักหนึ่งแล้วคุณหญิงจึงถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าคะสมมุติมีคนด่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะโกรธเขาไหมคะโกรธทําไมเขาดา่าเขาก็บาปอยู่แล้วถ้าอาตมาโกรธก็ต้องเป็นบาปไปด้วยอีกคนน่ะสิและถ้าเขาขอขมาลาโทษจะยังบาปอยู่ไหมคะ ถ้าคนถูกด่าเข้าโอาโหสิให้ก็ไม่บาปแต่กรรมบางอย่างก็โอโหสิให้กันไม่ได้เช่นกรรมที่เป็นครุกรรมหรือที่เรียกว่าอนันตริยกรรมซึ่งมีห้าอย่างคือมาตุฆาตฆ่าแม่ปิจุฆาตฆ่าพ่ออรหันตะฆาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนหอบพระโลหิตและสังฆเภทการยุยงสงให้แตกกัน ห้าอย่างนี้โอโหสิกันไม่ได้เพราะเป็นกรรมหนักแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้กรรมอื่นมาแทนที่เหมือนที่พระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ถือโกรธแต่พระเทวทัตก็ต้องตกนรกเพราะทำกรรมหนักไว้ถึงสองอย่างคือนอกจากทำร้ายพระพุทธเจ้าแล้วยังทำสังฆเพทอีกด้วยคือเหมือนกับที่ลูก่าแม่แม่อโหสิให้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 อาตมาเอาโหสิให้คุณหญิงตั้งแต่ตอนที่คุณหญิงด่านั่นแล้วอย่างไรก็ตามอาตมาขอชมเชยในความกล้าหาญของคุณหญิงที่เป็นคนทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดนั้นน่ะหายากอาตมาขอชมเชยคุณหญิงด้วยใจจริงคุณหญิงปรบับรื่อเสีจนน้ำตาไหลท่านพระครูจึงชักชวนคุยเรื่องอื่นเสียวันนั้นรัฐมนตรี และคณะออกจากกุฏิท่านพระครูเอาเมื่อตอนพบค่ำคุณหญิงถาวายเช็คเงินสดให้แก่ท่านพระครูเป็นค่าอาหารพระเนนและผู้ที่มาเข้ากรรมฐานจำนวนเงินที่ระบุในเช็คค่อนข้างมากซึ่งถ้าหักนำไปซื้อทองก็จะได้ทองหนักถึง12บาท2สลึง รัฐมนตรีคุณหญิงและผู้ติดตามพากันกลับไปแล้วพระบูญเฮียวซึ่งนั่งสงบเสงี่ยมฟังท่านพระครูเล่าเรื่องคุณนายรใหญยมาตั้งแต่ต้นจนจบได้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับทำไมคุณหญิงนั้นแกกราบเบญจางคประดิษฐ์ไม่ได้แต่ยังได้เป็นถึงคุณหญิงล่ะครับท่านพระครูมองหน้าคนถามยิ้มตามแบบฉบับของท่านที่ใครๆชมว่ามีเสน่ห์ แล้วก็พูดขึ้นว่าเอาถามแปลกดีรู้สึกว่าเธอชอบถามอะไร แ, แปลกๆอยู่เรื่อยนะก็ผมอยากรู้นี่ครับตอบสื่อๆจะรู้ไปทำไมบางอย่างท่านพระครูก็คิดว่าการได้ต่อปากต่อคํากับคนช่างซักก็ทำให้เพลินดีเหมือนกันรู้ไว้เพื่อประดับความรู้สิครับหลวงพ่ออ่อถ้าอย่างนั้นก็จะได้บอกให้เอาบุญครับ รับรองว่าหลวงพ่อได้บุญล้านหลา ย, ลายเอ๊เธอถามว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วท่านแกล่งยั่วหลวงพ่อความจำชักไม่ดีแล้วนะสิครับแสดงว่าแก่แล้วคนซื่อได้ทีช้ช้าได้ทีขี่แพะไล่เชียวนะบัวเหียวนะเขาเรียกว่าขี่แพะไล่ตั้งหักล่ะครับไล่ใครละ่ะไล่แมวครับงั้นก็นแล้วไปนึกว่าไล่เธอ แล้วก็ยุ่งเชียวละคนซื่ออยากรู้เร็วๆจึงถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมเลยครับว่าทําไมคนกราบเป็นจางข้าปดิษติไม่เป็นถึงได้เป็นคุณหญิงก็ทําไมคนกราบเป็นถึงไม่ได้เป็นคุณหญิงการเป็นคุณหญิงเขาตัดสินหรือว่าวัดกันที่การกราบไหว้เมื่อไรละ่ะคนที่จะได้เป็นคุณหญิงเขาก็ต้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือทีี่เรยกว่าสสาายายพนั่นไง สงสัยอีกสิว่าเครื่องราชอิสริยพร์คืออะไรท่านพระครูแกล้งดักคอเครื่องราชอิสริยพรณ์ก็คือสายสะพายนะสิครับคนความจําดีตอบเออเก่งนี่ท่านพระครูออกปากชมแต่ผมยังสงสัยอยู่อีกว่าไอ้สายสะพายเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับสายสะพายที่เข้าเอามาร้อยจมูกวัวจมูกควายหรือเปล่าถ้าเป็นแบบเดียวกัน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 คือเห็นคุณหญิงแกท่าทางข่มผัวน่าดูเลยแล้วก็ไม่มีมารยาทไปแอบฟังท่านคุยกันขนาดสมชายไปบอกก็ไม่ยอมลงมานี่ถ้าเป็นเมียผมแล้วก็ตบร้างน้ำเลยคนเชี่งสังเกตยกมือขวาขึ้นตบอากาศอยู่ไปมาพลางทำเสียงเฟี้ยวเฟี้ยวไปด้วยเห็นคนฟังไม่ว่ากอะไรจึงวิจารณ์ต่อท่าทางรัฐมนตรีก็กลัวเมียน่าดูเลย เสียเชิงชายหมดเอาเถอะนะใครเขาจะข่มกันจะกลัวกันยังไงก็เรื่องของเขามันหนักกระบาลเธอเรื่องยังไงล่ะถึงได้เดือดร้อนนักท่านพระครูว่าให้มันไม่หนักหรอกครับแต่ว่ามันไม่ดีตัวเองออกใหญ่โตทั้งรูปร่างและก็ตำแหน่งไม่น่ากลัวผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนี่นะบุญเยี่ยว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 ไหนบอกมาสิท่านทดสอบความจําคนเป็นสิทธิ์กายานุปัสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานครับเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคืออะไรครับดีแล้วคราวนี้มาพูดถึงจิตานุปัสนาสติปัฏฐานที่เธอกําลังคิดกําลังพูดอยู่เนี่ยมันไม่เป็นจิตานุปัสนาเพราะเธอเอาจิตออกไปนอกตัวไม่ใช้สติตามรู้จิตของตัวเอง ล่อยให้จิตสั้นสายไปในเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนอย่างที่เธอกําลังพูดเรื่องของคนอื่นอยู่ขณะนี้ดังนั้นนักปฏิบัติที่ดีจะต้องไม่มองออกนอกตัวไม่วิาพากวิจารณ์ผู้อื่นใครจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาหน้าที่ของนักปฏิบัติคือใช้สติตามดูตามรู้กายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นในตัวเองอย่ามองออกนอกตัวจําไว้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 จะเป็นขวาย่างซ้ายย่างหรือพองยุบก็แล้วแต่ว่าเธอกำลังเดินหรือว่านั่งพูดง่ายๆก็คือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตอย่าลืมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสันมาสัมพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นเมื่อย่อลงแล้วก็เหลือเพียงข้อเดียวคือสติ ปัดชิมโอวาดที่ประธานแก่พระอานนุ์และภิกษุห้าร้อยรูปตอนใกล้จะปรินิพานก็ทรงเน้นเรื่องสติรู้ไหมปัดชิมโอวาดนั้นว่าอย่างไรขั้นถามพระบวทใหม่ทั้งที่รู้ว่าฝ่ายนั้นไม่รู้ไม่ทราบครับหลวงพ่อก็ทราบว่าผมไม่ทราบและยังจะแกล้งถามให้ผมอับอายขายหน้าพระใหม่ตัดเพอเอา้าวก็เปิดโอกาสให้เธอได้พูดบ้างยังไงล่ะ เดี๋ยวจะมาหาวัดฉันตีตัวพูดอยู่คนเดียวนิมลหลวงพ่อพูดเถอะครับผมขอตีตัวฟังอย่างเดียวเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ฟังต่อปัดชิมโอว่าที่พระพุทธองค์ทรงประทานแกบ่บรรดาภิกษุมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราพูดตถาคตเตือนท่านทั้งหลายให้รู้สังขานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาเทเิดนี่แหละเป็นพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธองค์เพราะหลังจากตรัสเช่นนี้แล้วไม่ได้ตรัสอะไรอีกที่นี้เธอเห็นหรือยังว่าคำสอนทั้งปวงที่ได้ประทานตลอด 45, สี่สิบ้าพันานั้นมาจบลงตรงสติตัวเดียวนี้ ไม่เห็นมีคำว่าสติเลยนี่ครับหลวงพ่อคนจำเก่งแต่คิดไม่เก่งทวงขึ้นอ้าวกท็ที่ทรงเตือนให้เหตุประมาทนั่นไม่ใช่สติหรอกหรือ ไม่ประมาทก็คือให้มีสติรู้ทั่วพร้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นทรงให้ภิกษุตื่นนอนตั้งแต่ตีสี่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิและกำหนดรู้อิริยาบุตรซึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐานสี่อันถือเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติไหนเธอลองบอกมาสิว่าหน้าที่ของนักบวชในพุทธศาสนามีอะไรบ้าง ไม่ทราบครับหลวงพ่อยังไม่ได้เคยสอนท่านมหาก็สอนแค่กิจวัตรสิบอย่างตอนก่อนจะบวชมีหนึ่งลงอุโบสถสองบินทบาทเลย้ยบชีพสามสวดมนต์ไหว้พระสี่กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์ห้ารักษาผ้าครองหกอยู่ปริวาสกรรมเจ็ดโกนผมปลงหนวดตัดเล็บแปด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 อันนี้เป็นหน้าที่หลักศึกษาธรรมก็คือเรียนรู้วิธีปฏิบัติเช่นวิธีเจริญสติปัฏฐานสี่เมื่อรู้แล้วต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่รู้ใช้เฉยเหมือนอย่างพวกนักปรัชญาเมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ต้องสั่งสอนคนอื่นได้เหมือนกับที่หลวงพ่อปฏิบัติอยู่ใช่ไหมครับใช่ฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนถึงเธอก็เช่นกัน กล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาลมีเมืองเล็กๆ เ, เมืองหนึ่งชื่อกุรุเจ้าเมืองกุรุนิยมเจริญสติปัฏฐานเสกกันมากถึงขนาดเอามาเป็นคำทักทายปราศัยกันในชีวิตประจำวันเช่นเวลาเขาเดินไปพบคนรู้จักแทนที่จะถามว่าสวัสดีไปไหนมาจะ้ะทานข้าวหรือยังทำอะไรทำนองนี้เขากลับทักทายกันว่าท่านผู้เจริญ ท่านเจริญสติปัฏฐานสีแล้วหรือยังถ้าเขาตอบว่าฉันเจริญปัฏฐานสติปัฏฐานสอยู่จ่ะเขาก็จะยกมือขึ้นสาธุสาธุแปลว่าดีแล้วดีแล้วแต่ถ้าคนตอบว่ายังเลยจ่ะคนถามก็จะพูดว่าอับเปหิอับเปหิแปลว่าจงหลีกไปจงหลีกไปแล้วเขาก็จะรีบเดินหนีมันดังว่าพบสิ่งอับประมงคล เมื่อเป็นเช่นนี้คนที่ยังไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็ต้องเรียบปฏิบัติจะได้เป็นมงคลกับตัวเองและผู้อื่นเมื่อชาวกรุงกรุปากันเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นนิจีลก็ทำให้เหมืองเล็กๆนั้นเจริญรุ่งเรือง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 ที่นี้เธอเห็นหรื อ, อยังแล้วว่าการเจริญสติปัฏฐานสี่มีประโยชน์มีอานิสงส์มากมายเพียงใดเห็นแล้วครับและผมตั้งใจว่าจะภาคเพียรให้ถึงที่สุดดีแล้วเดี๋ยวกลับไปเดินจงกรมชั่วโมงครึ่งเอาระยะครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมงครึ่งเวลานอนอย่าลืมกําหนดพองยุบไปจนกว่าจะหลับ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 แล้วก็ลงมือปฏิบัติไปจนกว่าจะถึงเวลานอนพรุ่งนี้ก็ตื่นเตะสี่มันจะง่วงเหงาหาวนอนก็ต้องฝืนใจการทําความดีต้องฝืนใจจึงจะสําเร็จเอาละ่ะกลับไปได้แล้วคืนนี้ฉันต้องสอนครูสามคนให้เดินจงกรมระยะที่สี่เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวเขาก็จะกลับกันแล้วพรุ่งนี้หลวงพ่อจะให้เขาต่อระยะที่ห้า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 ถ้าะฉะนั้นผมกลาบลาล่ะครับเดี๋ยวต้องกลับไปสมน้ำแล้วก็สวดมนต์ทวัดเย็นจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติไปเถอะขอให้ภาคเพียนให้ดีบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็ด้วยความเพียนนี่แหละจำเอาไว้เวลาสองทุ่มตรงคณะของครูสริก็มาถึงท่านพระครูสอบอารมณ์ให้ทีละคนแล้วจึงสอนการเดินจงกรมระยะที่สี่ ซึ่งมีสี่นอโดยเพิ่มยกส้นหนอลงไปอีกหนึ่งนอกนั้นเหมือนกับระยะที่สามทุกประการการเดินจงกรมระยะที่สี่จึงบริกรรมว่ายกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเดินเป็นกันแล้วท่านจึงให้กลับไปปฏิบัติต่อที่ศาลาที่พัก คนทั้งสามลุกออกไปเมื่อเวลาสามทุ่มครึ่งท่านพระครูกำลังขึ้นไปเขียนหนังสือต่อก็พอดีลูกศิษย์วัดมาเรียนว่ามีแขกมาขอพบเมื่อท่านอนุญาตชายหญิงคู่หนึ่งจึงเดินเข่าเข้ามาหาในมือประคองผานคนละใบมีผ้าไตราเนื้อดีหนึ่งสำหรับวางอยู่ในผานของผู้ชายส่วนผู้หญิงเป็นดอกไม้ทูบเทียน เมื่อเดินเข่าเข้ามาใกล้ระยะหัตถบาทก็จึงวางพานไว้ทางขวามือของตนแล้วก็กราบเบญจางขปดิษฐ์สามครั้งเ<ม>จริญพรโยมายังไงกันคำคำมืดมืด ท่า น, นจเจ้าอาวาสครับกระผมขับรถมาเองครับจะพาภรรยามาขอขึ้นกรรมาฐานจากหลวงพ่อครับชายผู้เป็นสามีตอบเออแล้วจะอยู่กี่วันละ่ะไม่อยู่ครับจะให้เขากลับไปปฏิบัติที่บ้านผมสอนเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เขาบ้างแล้วมีปัญหาอะไรค่อยมากราบเรียนถามหลวงพอ่อสามีเป็นคนตอบเช่นเคย ท่านพระครูจำได้ว่าชายผู้นี้ได้มาเข้ากรรมาฐานที่วัดนี้เป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นก็ไปไปมามาอยู่เสมอถ่างั้นก็ตามใจแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าจะมาอยู่วัดสักเจ็วันอยู่บ้านมันรักษาอารมณ์ไม่ได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่องนี้มากระทบค่ะดิฉันว่าจะหาโอกาสมาให้ได้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 มาตมาฟังแล้วก็นึกว่าเออเข้าใจคิดเข้าใจพูดอาจารย์ที่ตัวเล็กๆหน้าคมๆสวยๆใช่ไหมครับผมเคยเห็นมาที่นี่บ่อยดูเหมือนอายุจะราวๆยี่สิบไม่น่าเชื่อว่ามีลูกแล้วนั่นแหละอายุสามสิบกว่าแล้วแต่ดูหน้าตาเด็กระวังนะชมคนอื่นว่าสวยต่อหน้าแม่บ้าน กลับไปเนื้อเคี้ยวอาตมาไม่รู้ด้วยนะดิฉันชินแล้วค่ะหลวงพ่อลูกคนอื่นเมียคนอื่นเขาชมว่าดีว่าสวยไปหมดทีลูกตัวเมียตัวไม่มีอะไรดีสักอย่างถึงดีก็ว่าไม่ดีฝ่ายภรยาตั้งท่าเปิดศึกท่านพระครูเห็นท่าไม่ดีก็จึงพูดจากไกล่เกลี่ยว่า ผู้ชายก็อย่างนี้ทุกคนแหละโยมไปถือสาให้เสียอารมณ์ทำไมละ่ะว่าแต่ว่าที่โยมจะกลับไปทำกรรมฐานที่บ้านนะ่ะอัตมาขออนุโมทนาด้วยทำได้วันละนิดละหน่อยก็ยังดีกว่าไม่เด็ทำานึกว่าสะสมหน่วยกิจเอาไว้ท่านใช้คำพูดทันสมัยเสร็จจากพิธีขอกรรมฐานสองสามีภรรยาจึงช่วยกันประเคนผ้าไตรถวายแด่ท่านพระครู แล้วก็บอกลาเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลับประเดี๋ยวจะให้ดูของดีโนดมากันโนดแล้วท่านบุยใบไปที่ชายหญิงกลุ่มใหญ่ซึ่งพากันเดินตรงมายังกุติคนเดินหน้าถือถาดทองเหลืองขนาดใหญ่มาด้วยใบหนึ่งเมื่อมาถึงยังไม่ทันจะทำความเคารพเจ้าของกุติพวกเขาก็พากันถอดเครื่องประดับเช่นสร้อยคอแหวนนาฬิกาข้อมือส่ข้อมือ ออกใส่ถาดนั้นจนเต็มแล้วก็ช่วยกันยกไปวางต่อหน้าท่านพระครูสามีภรรยาผู้มาก่อนแอบนึกในใจว่าโธ่เอ้ยคนเราก็แค่ผาตไรสำรับเดียวมาถวายแต่คนกลุ่มนี้จังใจบุญใจกุศลกว่าเราทั้งตั้งหลายเท่านักขนาดของมีค่าในตัวก็พากันถอดถวายจนหมดใจบุญแท้ๆแล้วพวกเขาเหล่านั้น ก็พากันขยันขยอว่าหลวงพ่อเสกหน่อยช่วยเสกให้หน่อยจะได้คลังท่านพระครูจึงทาทีเป็นนั่งหลับตาทำปากขมุบขมิบแล้วก็เป่าพรวดพรวดลงไปสามครั้งจึงลืมตาพูดว่าอ้าวเสกแล้วเสกให้แล้วพอท่านพูดจบคนเหล่านั้นก็กรูกันเข้ามาที่ถาดหยิบกันคนละมุบละหมับเอาของของตัวคืนแล้วก็พากันลากลับ ไม่ลืมเอาถาดทองเหลืองใบใหญ่กลับไปด้วยประเดี๋ยวจะต้องไปให้หลวงพ่อวัดโน้นเสกอีกท่านพระครูสายหน้าและก็พูดกับสองสามีภรรยาว่าพวกนี้เขาอีกระดับหนึ่งชวนให้มาเข้ากรรมฐานไม่เอาชอบให้เสกให้เป่าตัพลึดของจริงไม่ชอบชอบของปลอมท่านพูดยิ้มยิ้มหลวงพ่อไม่อธิบายให้ก็ฟังหรือครับ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 ได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเก่งทางเศกเป่านั่นแหละเศกจนตายคาที่เลยขนาดท่านนอนพงาบพงาบจนจะมรณะภาพอยู่แล้วพวกลูกศิษย์ยังเอาตุ๊กตามาให้เศกทีละหลายตัวท่านก็ต้องเป่าต้องเศกเป่าจนลมไม่มีพวกลูกศิษย์ก็ว่าหลวงพ่ออดทนเอาหน่อยอดทนเอาหน่อยจนเสร็จแล้วท่านก็ตามใจ ป่าให้จนลมหายใจสุดท้ายอาตมาเห็นแล้วสงสารท่านแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพวกลูกศิษย์เขาจะเอากันอย่างนั้นพอพวกเขารู้ว่าท่านสิ้นลมกลับพากันบน่นซิเอกว่าแม้หลวงพ่อให้ช่วยแค่เนี้ยก็ต้องตายด้วยหลวงพ่อครับและของที่ว่าเศษเป่าและทำให้ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขลังจริงไหมครับมันจะไปขมไปขลังอะไร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 พวกบัวที่ติดคโคลนตมไม่มีโอกาสโปรโพ้นน้ำมารับแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับนั่นแหละพวกนั่นแหละผลสุดท้ายก็ตกเป็นเหยื่อของพวกเตา่าพวกปลาไปโยมจำเอาไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันต่อมาเมื่อพบหลวงพ่อถึงได้ตาสว่างขึ้นเพราะบารมีของหลวงพ่อแท้ๆเชียว ไม่ใช่บารมีอาตมาหรอกบารมีของโยมเองนั่นแหละไม่งั้นคนกลุ่มเมื่อกี้เขาก็เหมือนโยมแล้วสิเรื่องนี้ต้องทําเองสร้างเองนะโยมครับหลวงพ่อครับกระผมภรรยารบกวนเวลาของหลวงพ่อมานานเห็นจะต้องลากลับเส็ตที หลวงพ่อจะได้พักผ่อนจะกลับแล้วหรือเอาละ่ะขอให้เจริญสุขนาโยมนะหมั่นพากันเจริญกรรมฐานทุกวันไม่มีอะไรจะช่วยเราได้นอกจากตัวของเราเองและวว่างๆอย่าลืมมาเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันนาโยมนะท่านหันไปพูดกับคนเป็นภรยาค่ะฝ่ายนั้นตอบแล้วสองสามีภรยาจึงพากันกลับเมื่อถึงเวลาเกือบสองยาม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 หรือว่าจะเป็นเพราะพวกมันรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระจึงได้หอนานกว่าปกติเขาคิดเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มจึงได้กาหนดนั่งหากยังไม่ทันได้นั่งก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินขึ้นศาลาตรงมาแสงจากดวงไฟสี่สิบแรงเทียนแม้จะไม่สว่างสวัยเท่าไฟนิออนแต่ก็ทำให้เห็นได้ชัดว่าภิกษุรูปนั้นอายุในราวเจดสิบเศษ ร่างกายสุดโทมสูดผอมจีวรดูเก่าสกปรกแถมยังขาดกระลุ่งกระริ่งเหมือนเอาผ้าคิวริ้วมหาห่อหุ้มร่างเอาไว้ภิกษุชราเดินตัวแข็งทื่อตรงมาดวงตาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของครูใหญ่รันใกล้เข้ามาในระยะสักสามเมตรจึงได้รู้ว่าท่านมิได้เดินหากลอยมาในลักษณะเท้าเรียกเรียกกับพื้นสติบอกทันทีว่า สิ่งที่เห็นข้างหน้านั้นมาจากต่างภพภูมิหันไปดูครูน้อยสองคนเห็นเพิ่งจะเริ่มเดินจงกรมเพราะโมวอิดอิดอดออด ก, ออ ก, ออกว่าจะตื่นกันได้ก็เกือบตีห้าเข้าไปแล้วมิหนำซ้ำยังเสียเวลาไปกับการล้างหน้าแปลงปันอีกหลายนาทีมีคนตื่นอยู่สองคนเช่นนี้ความกลัวก็ลดน้อยลงแต่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตา จึงกำหนดเห็นหนาสามครั้งกำหนดแลภาพนั้นก็ยังไม่หายไปครูวัยกลางคนจึงรวบรวมสติและถามออกไปว่าท่านเป็นใครขึ้นมาทำอะไรที่นี่อาตมาเป็นพระอยู่วัดนี้เขาเรียกอาตมาว่าหลวงตาเฟื่องเสียงนั้นแหลมลึกผิดแพกไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาสามัญและทำไมหลวงตาไม่ไปลงโบสถ์กับเขาล่ะครับอาตมาไม่ต้องลงโบสถ์ อย่าตกใจอาตมาไม่ได้มาร้ายคือว่าอาตมาตายไปเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ไปไหนคนฟังขนลุกสู้เมื่อภิกษุชราบอกว่าตายแล้วแต่เมื่อท่านบอกว่าไม่ได้มาร้ายจึงกลั้นใจถามไปว่าแล้วท่านขึ้นมาบนนี้มีจุดประสงค์อะไรหรือครับมีสิอาตมามาขอส่วนบุญจากโยมอาตมาลำบากเลือกเกินต้องอดอดอยากยาก หนาวก็หนาวโยมช่วยบอกท่านพระครูด้วยว่าอาตมาขอผ้าไตรสักหนึ่งสำรับแล้วเวลาโยมปฏิบัติกรรมฐานช่วยแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้หลวงตาเฟื่องวัดป่ามะม่วงด้วยอาตมาจะได้ไปเกิดที่ทีวนเวียนอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วเพราะยังใช้กรรมไม่หมดเมื่อตอนท่านบวชไม่ได้เจริญกรรมฐานหรอครับจึงได้มีสภาพอย่างนี้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 แสดงว่าแม่หลอกผมใช่ไหมครับไม่ได้หลอกหรอกโยมเปรตนั้นมีหลายประเภทอย่างอาตมาเนี่ยเป็นเปรตประเภทปราัถตุปะชีวิตกับเปตคือเปรตที่มีการเลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้อาตมาถึงต้องมาขอส่วนบุญจากโยมโปรโดเมตตาด้วยเธอเสียงนั้นทั้งขอร้องและวิงวอน ถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งที่ทำกรรมฐานชื่อหลวงตาเฟื่องนะครับถูกต้องอาตมาต้องขอขอบใจโยมเป็นอย่างมากขอให้โยมจงตั้ง อ, อกตั้งใจปฏิบัติต่อไปทางนี้เป็นทางที่ประเสริฐที่สุดแล้วอาตมายังนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมามัวหลงประมาทมัวเมาในชีวิตจึงต้องมาตกระกรรมลาบากอย่างนี้กว่าจะรู้สึกตัวก็สายเกินไปแล้ว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 ร่งนั้นค่อยๆลอยห่างออกไปแล้วก็หายวับไปกับความสัวของรุ่มอรุณ์บัดดลนั้นบรรดาสุนัขที่ส่งเสียงเห่าฮอนมาตั้งแต่ตีสี่ต่างก็พากันเงียบเสียงลมราวกับนัดครูใหญ่ไม่สบายหรือเปล่าครับถึงได้ยืนพูดคนเดียวอย่างนั้นครูบุญมีเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัยผมกําลังคุยกับหลวงตาเฟื่องคุณไม่เห็นหรอกปึ๊พระแก่ๆที่เดินมาเมื่อสักครู่นี้ผมไม่เห็นใครสักคน ไม่เชื่อถามครูอรุณดูได้จริงครับครูใหญ่ยืนพูดเงาๆอยู่คนเดียวฟังไม่ได้สับว่าพูดอะไรบ้างไม่สบายหรือเปล่าครับเนี่ยครูน้อยอีกคนนึงถามอย่างเป็นห่วงเปล่าผมไม่ได้เป็นอะไรแล้เดี๋ยวผมจะไปพบหลวงพ่อสักหน่อยคุณสองคนไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครูบนันมีดูนาฬิกาข้อมือแล้วก็ท้วงว่าเพิ่งจะตีห้าครึ่งอีกตั้งครึ่งชั่วโมงท่านจึงจะออกจากโบสถ์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 พระสองคนนี้จะต้องคิดว่าเขาไม่สบายตู้เก็บไว้ถามท่านพระครูจะดีกว่าว่ายังไงจะไปกุฏิท่านพระครูกับผมไหมครูใหญ่ชวนอีกไปก็ไปไปนั่งสมาธิ ร, รอท่านก็ได้ครูอรุณพูดแล้วคนทั้งสามก็พากันไปนั่งรออยู่ที่กุฏิท่านพระครูอากาศภายนอกค่อนข้างหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูหนาว แต่ในจิตใจของครูใหญ่กลับร้อนรุ่มดังไฟสมขอนทั้งร้อนใจและใจร้อนอยากพบท่านพระครูเป็นที่สุดเสร็จจากสังฆกรรมในโบสถ์แล้วท่านพระครูจึงเดินกลับกุติ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 ฟังแล้วท่านเจ้าของกุฏิก็พูดขึ้นว่าน่าอายเหลือเกินตัวเป็นพระแต่มาขอส่วนบุญจากญาติโยมครูเห็นหรือยังว่าพระก็ไปทุกคติไปอบายได้ถ้าประมาทล้งตาเฟื่องแกดือ้ออาตมาเตือนเรื่อความหวังดีแกก็ไม่เชื่อเกียดคร้านเอาแต่กินกับนอนนอกจากนี้ก็ยังขโมยของวัดไปฝากลูกฝากหลานเป็นประจำ โน่นบ้านแกอยู่ใต้วัดไปโน่นอาตมาบอกว่ามันบาปนะหลงตาแกก็ทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสร็จแล้วเป็นยังไงไปเกิดเป็นเปรตเลยเห็นไหมครูใหญ่น่าจะถามแกดูว่าทำไมถึงให้ครูมาขอผ้าไตรทำไมแกไม่มาขอเองผมก็คิดจะถามอยู่เหมือนกันแต่ยังไงไม่ทราบลืมเสียได้สงสัยจะกลัวมากไปหน่อย แกคงรู้ว่าเมื่อคืนมีคนมาเอาผ้าไตรามาถวายอาตมาหนึ่งสำรับเลยใชใ้ครูใหญ่มาขอฉลาดดีนี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมกลับไปปฏิบัติต่อจนถึงเวลาอาหารรับประทานอาหารกันแล้วค่อยมาหาอาตมาอาตมาจะออกไปบินธบาตอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันใหม่แล้วท่านพระครูก็ออกบินธบาตโดยมีนายสมชายฮิวป็นโตเดินตามหลังครูสามคนกลับมายังศาลา ไม่มีใครพูดถึงหลุมตาเฟื่องอีกด้วยกลัวว่าแกจะมาปรากฏตัวฟ้ายังไม่ทันสางเพราะว่าดวงตะวันยังไม่ขึ้นพวกอมนุษย์จึงมีสิทธิที่จะมาป้วนเปี้ยนให้เห็นได้ท่านพระครูฉันเช้าเสร็จได้สักพักครูใหญ่หนึ่งคนก็นำครูน้อยสองคนเข้ามาหาแต่ละคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะกลับอยู่อีกสักคืนทนา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 ถ้าพระที่มเด็ปฏิบัติจะอุทิศไปไม่ถึงพระบางรูปท่องบทกรวดน้ําไม่เป็นเลยซ้ําอย่างหลวงตาเฟื่องเนี่ยท่องได้ซสพที่ไหนขนาดบวชมาตั้งสิบพรรษาเวลาเข้านิมนต์ไปสวดก็ทําปากขมุกขมิดไปอย่างนั้นเองแต่อย่าพูดไปนะพระแบบลุงตาเฟื่องเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขันพูดยิ้มยิ้มจากนั้นก็หยิบผ้าไตรส่งให้ครูใหญ่ ซือไปอย่างนี้แหละไม่ต้องหงต้องห่อหรอกเดี๋ยวก็ได้ถวายแล้วท่านพูดเช่นนี้โดยรู้ว่าคนทั้งสามจะไปพบพระทุดงกลางทางเพราะเห็นหนอบอกอย่างนั้นเอาเถอะและอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้แกอีกแรงหนึ่งจะได้ไปเกิดเร็ว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 แม้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยุ่งนะสิวันวันไม่เป็นอันทําอะไรเพราะว่าเที่ยวไปเห็นคนโน้นคนนี้วุ่นวายไปหมดโปรดจําไว้นะว่าเราเห็นหนอก็ต่อเมื่อเราตั้งสติกําหนดจิตเท่านั้นอย่างที่อาตมากําลังคุยกับโยมอยู่เนี่ยอาตมาก็เห็นโยมเป็นโยมเหมือนเหมือนกับที่คนอื่นๆเขาเห็นแต่ถ้าอาตมาอยากรู้ว่าโยมกําลังคิดอะไรอยู่อาตมาก็จะตั้งสติกําหนดจิต แล้วก็เห็นหนอจริงจะเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้พอเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะครับเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับแล้วคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่มีโอกาสได้เห็นหนอทุกคนไหมครับครูบุญมีสงสยัยไม่ทุกคนก็คนที่จบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมทุกคนหรือเปล่าละ่ะได้เป็นบางคนครับครูอรุณตอบมันก็เหมือนกันนั่นแหละ คนที่เจริญสติปัฏฐานสี่บางคนก็ไม่ได้เห็นหนอะเพราะมันไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นอาตมาจะยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเรื่องพระอุบลวรรณาเถรีคนนี้ก็เป็นพระอาหารหันต์มีฤทธิ์มากในบรรดาพระเถระผู้มีฤทธิ์ต้องยกให้พระโมคคัลลานนะแต่ถ้าพระเถรีก็ต้องยกให้พระอุบลวรนนาถึงแม้จะมีฤทธิ์ ก็ยังถูกนั่นท้ามานบข่มขืนกระทําชำเราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าครั้งอดีตชาติที่ท่านประพฤติผิดศีลข้อสามคนก็พากันสงสัยว่าทําไมทั้งๆ ท, ที่มีฤทธิ์ยังถูกข่มขืนได้นี่ก็เหมือนกันคือเมื่อท่านยังไม่ได้ตั้งสติกําหนดจิตฤทธิ์มันก็ยังไม่เกิดในคัมภีร์กล่าวว่าตอนจะถูกข่มขืนนั้นท่านไปข้างนอกมาทั้งเหนื่อยทั้งร้อน กำลังจะนอนพักนันทมานบซึ่งซ่อนอยู่ใต้เตียงก็ถือโอกาสข่มขืนตอนนี้เมื่อนันทมานบข่มขืนเสร็จก็ถูกธรณีสูบเพราะทำร้ายพระอรหันถือว่ามีโทษหนักบาปมากเห็นไหมว่าถ้าไม่ตั้งสติกำหนดจิตริดก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่อาตมาลืมหลงเตาเฟื่องแล้วแกก็ไม่ปรากฏให้เห็นก็เลยไม่รู้กัน เออยังเป็นเปรตอยู่หรือหนี่ครับท่านบอกว่าเป็นปรัชตัปะชีวิตกเปรตพวกเปรตนี้มีหลายประเภทเหรอครับหลวงพ่อเท่าที่อาตมาทราบมีสี่ประเภทคือปรัชตัประชีวิตกเปรตคือพวกที่มีชีวิตอยู่ด้วยการขอส่วนบุญจากผู้อื่นคุปปะปิปาสิกกเปรตก็คือพวกที่ถูกเบียดเบียนด้วยการหิวข้าวหิวน้า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 โยมจงจำเอาไว้เวลาตายต้องทำจิตให้ผ่องใสจะได้ไปสุขติภูมิถ้าตายขณะที่จิตมีกิเลสเช่นทมิโทสะจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะก็จะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้ามีโมหะก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานดังนั้นถ้ารู้ว่ากำลังจะตายก็อย่าไปห่วงไปโลภไปโกรธไปหลงจะได้ไม่ต้องไปอบายภูมิ อาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่องหนึ่งอยากฟังไหมล่ะอยากฟังครับคนทั้งสามตอบเอาล่ะถ้าอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังมีเจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งอย่าให้อาตมาเอ่ยชื่อเลยนะเพราะในไหนท่านก่มอมรณะภาพไปแล้วเจ้าคณะอำเภอรูปนี้ท่านสะสมภารไรไว้เป็นร้อยๆสำรับใส่ตู้เรียงรายเต็มกุฏิไปหมดแล้วท่านก่อหวงมาก ไม่ยอมแจกใครเพราะตั้งใจว่าอายุครบแปดสิบจะทําบุญใหญ่แล้วค่อยแจกในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพออายุได้เจ็ดสิบห้าปีท่านก็มรณาภาพแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมประมาทนิดเดียวไปเกิดเป็นเปรตเลยจะว่าท่านโลภก็ไม่เชิงเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าอายุแปดสิบถึงจะแจกทีนี้ท่านก็เลยตายขณะที่จิตมีโลภะ คือห่วงผ้าตรายหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับว่าท่านไปเกิดเป็นเปรตครูใหญ่ถามท่านมาบอกอาตมามาแบบเดียวกับที่หลวงตาเฟื่องมาหาครูใหญ่นั่นแหละแต่แย่กว่าหลวงตาเฟื่องตรงที่ว่าไม่มีอะไรนุ่งหม่มมาแบบชีเปลือยว่างั้นเถอะมาถึงก็บอกอาตมาว่าท่านพลระครูผมหนาวเลอเกินวันเผาศพช่วยเอาผ้าตรายแจกให้หมด และอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมด้วยอาตมาก็จัดการให้ตกกลางคืนก็มาขอบใจนุ่มหมเรียบร้อยบอกว่าสบายแล้วมีเห็นหรือยังประมาทไม่ได้เลยเผลอไปนิดเดียวยังไปทุกขติเสียได้